วัหมวดว่าด้วยหม้อสมบัติหนึ่งพัทระคตาเพทกชาดกว่าด้วยคนเขาย่อมเดือดร้อนเพราะทาลายหม้อสมบัติพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาประมวลชาดกตรัสพระคาถาว่านักเลงได้มอที่สามารถจะบรรดาลสิ่งที่ปรารถนาได้ทุกอย่างเขาย่อมประสบความสุขตลอดเวลาที่ยังรักษามอนั้นไว้ได้ เมื่อใดเขาเมาสุราขนองทำลายหม้อเสียเพราะความเมาเมื่อนั้นเขาจะเป็นคนเปลยนุ่งห่มผ้าเก่ากลายเป็นคนโง่เง่าเดือดร้อนในภายหลังผู้ใดโง่เขลาประมาทได้ทรับแล้วใช้สอยไปทำนองนี้ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังเหมือนนักเลงทำลายหม้อขุมรับพัทระพัตเตะเพทกะชาดกที่หนึ่งจบ สสุปตชาดกว่าด้วยเมียพยากาสุปตแพ้ท้องก้ากราบทูลพระราชาถึงเหตุที่ตนกระทาความชั่วว่าข้าแต่มหาราชพยากาชื่อสุปตมีบริวารแปดหมื่น 8, ตัวแวดล้อมอาศัยอยู่ที่กรุงพาราสีเมียพยากานั้นชื่อนางสุปตัษาแพ้ท้อง ต้องการจะกินพระกริยาหารของพระราชาอันมีค่ามากที่พวกพ่อครัวปรุงแล้วในห้องเครื่องข้าพระองค์เป็นทูตของกาเหล่านั้นถูกพยากาส่งมาจึงได้มาณที่นี้ข้าพระองค์จะกระทําความจงรักภักดีต่อเจ้านายจึงได้จิกจมูกคนเชิญเครื่องเสวยให้เป็นแผลสุปัตะชาดกที่สองจบ 3. กายนิพพินทชาดก ว่าด้วยความเบื่อหน่ายร่างกายเรศีโพธิสัตว์เมื่อจะเปล่งอุทานจึงกล่าวว่าเมื่อเราถูกโรคภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเบียดเบียนอยู่ได้รับทุกข์อย่างแรงกล้าร่างกายนี้จากสูบซี่โดยฉับพลันเหมือนดอกไม้ตกอยู่ที่ทรายกลางแดดร่างกายอันไม่น่าพอใจกลับเป็นสิ่งที่น่าพอใจไม่สะอาดกลับเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สะอาด เต็มไปด้วยซากศพนานาชนิดปรากฏเป็นที่พอใจแก่ผู้ไม่เห็นความจริงหน้าติเตียนนักร่างกายอันเปื่อยเน่าประสับกระสายหน้าเกลียดไม่สะอาดมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาที่หมูสัตว์พากันมัวเมาหมกมุ่นอยู่แล้วทำทางที่จะเข้าถึงสุขติให้เสื่อมกายนิพพินทะชาดกที่สาจบ4่ชามผู้ขาทะกะชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกอยากกินลูกว่าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งต้องการจะลวงกากินลูกว่าแซงสรรเสริญกาว่าใครนั่นมีเสียงหยดย้อยยอดเยี่ยมกว่าสัตว์ที่มีเสียงไพเราะทั้งหลายจับอยู่ที่กิ่งต้นว่าเจรจาด้วยสำเนียงอันน่าพอใจคล้ายลูกนกยูงกาสรรเสริญตอบสุนัขจิ้งจอกว่ากุลบุต ร, รู้จักสรรเสริญกุลบุตรด้วยกัน นี่ท่านผู้มีผิวพรรณเช่นกับลูกเสือโครงเชิญท่านบริโภคเถิดเพื่อนเราจะให้ลูกว่าสุขแก่ท่านเทวดาโพธิสัตว์เห็นกากับสุนัขจิ้งจอกกล่าวยกย่องกันตามที่ไม่เป็นจริงจึงกล่าวว่าเราเห็นมานานแล้วคนที่มาประชุมกันพูดเท็จสรรเสริญกันเองคือกากินอาหารที่เขาคายแล้วและสุนัขจิ้งจอกกินซากศพ ช่างผู้ขาตะ ก, กะชาดกที่สี่จบหอันตชาดกว่าด้วยที่สุดสามอย่างกาตัวหนึ่งต้องการจะลวงสุนัขจิ้งจอกกินเนื้อจึงกล่าวว่าพญาเนื้อลำตัวของท่านเหมือนพญาโคอุสภะการยื้อกรายของท่านดุดพญาราชสีข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าจะได้อะไรบ้างเล่า สุนักจิ้งจอกได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่ากุลบุตรรู้จักสรรเสริญกุลบุตรด้วยกันนี่พ่อกาผู้มีสร้อยคองามเหมือนนกยูงเชิญท่านลงจากต้นละหุงเถิดรุ ก, กเทวดาโพธิสัตว์เห็นกิริยาของกาและสุนัขจิ้งจอกจึงกล่าวว่าบรรดามรรชาตทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่เลวที่สุดบรรดาปักษีทั้งหลายกาเป็นสัตว์ที่เล็วที่สุด และบรรดารุกชาติทั้งหลายต้นละหุ่งเป็นต้นไม้ที่เลวที่สุดที่สุดสามอย่างมาประจวบกันเข้าแล้วอันตะชาดกที่ห้าจบ 6. สมุทรทชาดกว่าด้วยสมุทรเทวดาโพธิสัตว์ประจำสมุทรเห็นกริยาของกาจึงกล่าวว่าเนี่ยใครหนอเที่ยวบินเวียนวนอยู่รอบทะเลน้ำเค็ม คอยห้ามหมู่ปลาและหมู่มังกรอยู่จึงเดือดร้อนอยู่ในเกลียวคลื่นกา Nam ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นนกชื่ออนันตะปลาีปรากฏไปทั่วทุกทิศว่าเป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มต้องการจะดื่มสมุทรสาคร อ, อันเป็นเจ้าแห่งแม่น้ำลำธารเทวดาประจําสมุทรได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าห่วงน้ําใหญ่นี้นั้นจะลดลงหรือเต็มอยู่ก็ตามที ที่สุดของน้ำแห่งห่วงน้ำใหญ่นั้นที่บุคคลดื่มแล้วใครๆก็รู้ไม่ได้ได้ยินว่าสาคอนอันใครใไม่อาจดื่มให้หมดสิ้นไปได้สมุดท้าชาดกที่หจบ 7. กามวิลาปะชาดกว่าด้วยผู้เพอ้อถึงกามบุรุษผู้ที่ถูกเสียบอยู่บนปลายลาวเห็นกาบินมาทางอากาศเรียกกามาเพื่อจะสรงข่าวถึงพัญญาสุดที่รัก จึงกล่าวว่านกผู้มีปีกเป็นยานพาณนะิชบินได้สูงขอท่านช่วยบอกพัญญาของข้าพเจ้าผู้มีขาอ่อนประดุดลำต้นกล้วยให้ทราบด้วยเมื่อ น, นางไม่รู้จักรอคอยข้าพเจ้าเป็นเวลานานนางเองเป็นคนโหดร้ายยังไม่รู้ว่าแล้วนี้เขาปากไว้เพื่อเสียประจานข้าพเจ้าก็จะโกรธความโกรธของนางย่อมทําให้ข้าพเจ้าเดือดร้อน แต่ลาวในที่นี้ไม่ทำให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนเลยหอกเกราะและแหวนวงเล็กๆที่ทำด้วยทองเนื้อห้าอันหนึ่งผ้าแคว้นกาสีอันมีเนื้อละเอียดข้าพเจ้าได้เก็บไว้ที่หัวนอนขอนางผู้มีความต้องการด้วยซั์จงยินดีด้วยซั์ที่มีประมาณเท่านี้เถิดกามะวิลาปะชาดกที่เจจบ 8. อุทุมภ ร, ะระชาดกว่าด้วย ลิงหลอกลิงด้วยผลมะเดือ่อลิงใหญ่หน้าดำตัวหนึ่งคิดจะลวงลิงเล็กเพื่อยึดที่อยู่จึงกล่าวกับลิงเล็กว่าต้นมะเดือ่อต้นไซและต้นมะขิดเหล่านี้มีผลสุกเจ้าจงออกมากินเถิดจะยอมตายเพราะความหิวทำไมลิงเล็กเล็กเชื่อแล้วไปแต่ไม่ได้อะไรจึงกลับมาพบลิงใหญ่แล้วคิดจะลวงลิงใหญ่นั้นบ้างจึงกล่าวว่าผู้ใดอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้นั้นย่อมเป็นผู้อิ่มน้ำสำราญเหมือนข้าพเจ้าได้กินผลไม้สุกจนอิ่มน้ำสำราญในวันนี้ลิงใหญ่ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าลิงลวงลิงป่าเพราะเหตุใดเหตุนั้นลิงหนุ่มก็ไม่ควรเชื่อถึงลิงแก่เท่าก็ไม่ควรเชื่ออุทุมพระชาดกที่แปดจบเก้โกมารียปุตตะชาดกว่าด้วย ลิงอ้างโกมาริยะบุตรเป็นอาจารย์ดาบทเหล่านั้นเมื่อจะถามลิงได้กล่าวว่าเมื่อก่อนเจ้าได้โลดเต้นเล่นขนองในสำนักของพวกเราผู้มีปกติเล่นขนองลิงเอย๋ยเจ้ามาทำกิริยาของลิงในอาสมของพวกเราอีกพวกเราไม่พอใจปกติของเจ้านั้นเลยลิงได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าเพราะฌานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งเข้าพเจ้าได้สดับมาแล้ว จากสำนักอาจารย์ชื่อโกมาริยะบุตรผู้เป็นพระหูสูตรบัดนี้ท่านย่าได้สำคัญข้าพเจ้าเหมือนเมื่อก่อนเลยผู้มีอายุข้าพเจ้าบำเพ็ญฌานอยู่ดาวบทเหล่านั้นกล่าวว่าแม้ถ้าบุคคลจะพึงหวาดพืชลงบนแผ่นหินและฝนจะพึงตกลงมาก็ตามทีพืชนั้นจะพึงงอกขึ้นมาหาได้ไหมเจ้าลิงเ อ, อ๋ยจริงอยู่ฌานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ถึงเจ้าจะได้สดับัมาแล้วเจ้าก็ยังอยู่ห่างไกลภูมิชาญนั่นอยู่ดีโกมาริยะปุตตะชาดกที่เก้าจบ 10. บวะกะชาดกว่าด้วยหมาในพระศ า, าสดาตรัสพระคถ า, าเหล่านี้ว่าหมาในมีเนื้อและเลื่อดเป็นอาหารมีชีวิตอยู่ได้เพราะค่าสัตว์อื่นสมาทานวัดแล้วเข้าจำอุโบสถ เท้าศักกะทรงทราบถึงข้อปฏิบัติของหมาในนั้นแล้วทรงจำแรงเพศเป็นแพะเข้าไปหาหมาในนั้นต้องการจะดื่มเลือดจึงตะบะแตกโผเข้าไปหาแพะนั้นทำลายตะบะที่ตนได้สมาทานแล้วบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เหมือนกันสมาทานข้อปฏิบัติอย่างเพลาทำตนกลับกรอกเหมือนหมาในกลับกรอกเพราะแพะเป็นเหตุวกกะชาดกที่สิบจบ กุมภวคที่ 5. จบรวมชาดกที่มีในวรรคนี้คือ 1. พัทธะกตะเพทกะชาดก 2. สุปตะชาดก 3. กายนิ พ, พินทะชาดก 4. ชัมพูขาทะกะชาดก 5. อันตะชาดก 6. สมุททะชาดก 7. กามวิลาปะชาดก 8. อุทุมพร ะ, ระชาดก 9. โกมาริยบุตตะชาดก 10. วะกะชาดกรวมวักที่มีในนิบาทนี้คือ 1. สังกัปปวักสอปทุมะวักสาอุทธปานวักค์ 4. อภันตรวักค 5. กุมพวักติกนิบาจบ จะตูกั น, นิบาตหนึ่งกาลิงควัหมวดว่าด้วยพระเจ้ากาลิงคะหนึ่งจูละกาลิงคะชาดกว่าด้วยพระเจ้าจูละกาลิงคะนั้นที่เซนอมาตเรียกคนรักษาประตูพระนครให้เขาเปิดประตูรับพระราชธิดาของพระเจ้าอัสกะว่าท่านทั้งหลายจงเปิดประตูถวายพระราชธิดาเหล่านี้ ขอพระราชธิดาเหล่านี้จงเสด็จเข้าพระนครซึ่งข้าพเจ้าผู้มีนามว่านันทิเสนผู้เป็นดุดสีหะได้รับการสั่งสอนมาดีผู้เป็นอมากของพระเจ้าอารุณได้จัดการรักษาไว้ดีแล้วพระเจ้ากาลิงคะทรงกลัวต่อมรณะภัยจึงด่าดาบทว่าท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ท่านได้กล่าวว่าชัยชนะจงมีแก่พระเจ้ากาลิงคะ ผู้สามารถย่ำยีบุคคลที่ใครย่ำยีไม่ได้ส่วนความปราชัยความหายณนะจงมีแก่พระเจ้าอสกะคนซื่อย่อมไม่พูดเท็จดาบททูลถามเท้าส ก, กะว่าข้าแต่เท้าส ก, กะพวกเทวดายังกล่าวเท็จอยู่อีกหรือบรรดาคำเหล่านั้นคำสัตว์เป็นทรัพย์อย่างยิ่งข้าแต่เท้ามขวานเทวราชผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระองค์ทรงอาศัยเหตุอะไรจึงตรัสคำเทศท้าวักกะทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่าพรามท่านเคยฟังมาแล้วมิใช่หรือเขากล่าวกันว่าเทวดาทั้งหลายจีดกัรความบากบั่นของคนไว้ไม่ได้การฝึกตนก็ดีความตั้งใจไว้อย่างมั่นคงก็ดีความมีใจไม่แตกแยกก็ดีความไม่ท้อถอยก็ดีการรุกในเวลาที่ควรรุกก็ดี ความเพียรอันมั่นคงก็ดีความบากบั่นของคนก็ดีได้มีแก่พระเจ้าอสกะเพราะเหตุนั้นแหละชัยชนะจึงได้มีแก่พระเจ้าอสกะจูลกาลิงฆาชาดกที่หนึ่งจบ 2. มหาอาสาโรหะชาดกว่าด้วยพระเจ้ามหาอาสาโรหะพระราชาโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่พระโอรสว่า ผู้ใดเมื่อให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรจะให้ไม่ให้ในบุคคลที่ควรจะให้ผู้นั้นแม้ประสบทุกข์ในคราวมีอันตรายก็หาเพื่อนช่วยเหลือไม่ได้ผู้ใดเมื่อไม่ให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรจะให้ให้ทานในบุคคลที่ควรจะให้ผู้นั้นแม้ประสบทุกข์ในคราวมีอันตรายก็ได้เพื่อนที่จะช่วยเหลือการแสดงคุณวิเศษแห่งการเกี่ยวข้องผูกพันกันฉั้นมิตร ในชนทั้งหลายผู้ไม่เป็นพระอริยะโอ้อวดย่อมจะไร้ผลส่วนการแสดงคุณวิเศษแห่งการเกี่ยวข้องเป็นต้นนั้นแม้เล็กน้อยซึ่งบุคคลกระทำแล้วในชนทั้งหลายผู้เป็นพระอริยะซื่อตรงและคงที่ย่อมมีผลมากผู้ใดได้ทำคุณงามความดีไว้ก่อนผู้นั้นชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งในโลกภายหลังเขาจะทาหรือไม่ทาก็ตามที ชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่การบูชาอย่างยิ่งมหาอัสาโรหชาดกที่สองจบ 3. เอกราชาชาดกว่าด้วยพระเจ้าเอกราชพระเจ้าทุพพิเศณทรงขอโทษพระเจ้าเอกราชแล้วตรัสว่าข้าแต่พระเจ้าเอกราชเมื่อก่อนพระองค์สวยกามคุณที่สมบูรยอดเยี่ยม มาบัดนี้พระองค์ถูกโยนลงในหลุมอันครุขระก็ยังไม่ทรงละพระชีวิวันและพระกำลังอันมีอยู่แต่ก่อนพระเจ้าเอกกราชผู้เป็นพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงตรัสว่าพระเจ้าทุพพิเศณเมื่อก่อนหม่อมฉันมีขันติและตาบะสมปรารถนามาแล้วหม่อมฉันได้ขันติและตาบะนั้นแล้วเจเพิงละชวิวันและกำลังอันมีอยู่แต่ก่อนทําไมเล่า พระองค์ผู้เรืองยศปรากฏพระปรีชาญาณทรงทนทานเป็นพิเศษทราบว่ากรณียกิจทุกอย่างมอมฉันได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วทั้งยังได้ยศที่สูงส่งที่ไม่เคยได้มาก่อนเพราะเหตุใดจะพึงละชวิวันและกำลังอันมีอยู่แต่ก่อนเสียเล่าพระองค์ผู้จอมชนมอมฉันบรรเทาความสุขด้วยความทุกข์และข่มความทุกข์ด้วยความสุข สัต บ, บุรุษเช่นหมอมฉันวางตนเป็นกลางในความสุขและความทุกข์เพราะมีความเยือกเย็นในภาวะทั้งสองนั้นเอก ร, ราชาชาดกที่สาจบ4ทัทธราชาดกว่าด้วยนาคทัทธระนาคจูฬทัทธระอดทนความโดมิ่นไม่ได้จึงพูดกับหน้าผู้เป็นพี่ชายว่าเจ้าพี่ทัทธระ ว่าจะอันหยาบคายในมนุษย์เียโลกเหล่านี้ทำให้หมอมฉันเดือดร้อนพวกเด็กชาวบ้านไม่มีพิษนี้ดา ม, มอมฉันผู้มีพิษร้ายว่าพวกสัตว์กินกบกินเขียดพวกสัตว์น้ำนาคามหาทัตระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าบุคคลผู้ถูกขับไล่จากบ้านเมืองของตนไปอยู่ทิ่นอินพึงสร้างฉากใหญ่ไว้เก็บคำพูดที่หยาบคายสถานที่ใด ประชาชนไม่รู้จักสัตว์โดยชาติหรือโดยวินัยสถานที่นั้นเขาเมื่ออยู่ในกลุ่มชนที่ไม่มีใครรู้จักเลยไม่ควรมีมานะผู้มีปัญญาแม้จะเปรียบเรื่อไฟป่าเมื่ออยู่ยังต่างถิน่นก็ควรอดทนถ้อยคำคุกคามแม้ของผู้เป็นทาสทัทธระชาดกที่สจบหศีลวีมังสะชาดกว่าด้วยการทดลองศีล พระหโพธิสัตว์กล่าวกับอาจารย์ว่าขึ้นชื่อว่าสถานที่ลับสําหรับกระทํากรรมชั่วไม่มีอยู่ในโลกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าก็ยังมีคนเห็นคนผ่านสําคัญอยู่ว่ากรรมชั่วนั้นเราได้ทําในสถานที่ลับเาพเจ้าไม่พบสถานที่ลับแม้สถานที่ว่างก็ไม่มีในสถานที่ใดเาพเจ้าไม่รู้ว่าว่างแม้สถานที่นั้นก็ไม่ว่างจากเาพเจ้า พระศาสดาได้ตรัสสองพระคถานี้ว่าทุชัดจะมานบสุชัดจะมาโนบนันทมานบสุขวัชณะมาโนบวัชมาโนบและอาทุวสีละมาโนบนั้นมีความต้องการหญิงสาวจึงพากันละธรรมเสียส่วนพราหมณผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมท่องปวงมีปัญญามีความก้าวหน้าในสัจธรรมตามรักษาธรรมอยู่และทิ้งอิทธิลาบ เพราะเหตุอะไรเล่าศีลวีมังสาชาดกที่ห้าจบ 6. สุชาตาชาดกว่าด้วยพระนางสุชาดาพระนางสุชาดาเทวีทูลถามพระราชาว่าฝ่าพระบาทผลไม้สีแดงเกลื่อนกล่าเหล่านี้ที่เก็บไว้ในถาทองคำมีชื่อว่าผลอะไรหมอมชันทูลถามแล้วขอพระองค์จงตรัสบอกหมอมชัน พระราชาสรงกริว้วจึงตรัสว่าพระเทวีเมื่อก่อนเธอเป็นคนหัวโล้นนุน่งผ้าเก่าเน็บชายพกเที่ยวเลือกเก็บผลไม้เหล่าใดนี้เป็นผลไม้ประจําตระกูลของเธอหญิงต่ํำซามผู้นี้อยู่ในราชาตรกูลย่อมเดือดร้อนไม่รื่นรมโภคะทั้งหลายย่อมละผู้ไม่มีบุญไปพวกท่านจงนําหญิงนี้กลับไปในสถานที่ที่หล่อนเก็บผู้ซาขาย อมาตโพธิสัตว์คิดช่วยเหลือพระนางสุชาดาเทวีจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชโทษคือความประมาทเลินเล่อเหล่านี้ย่อมมีแก่หญิงผู้ได้ยศขอพระองค์โปรดทรงละเว้นแก่พระนางสุชาดาข้าแต่ส ม, มุติเทพขอพระองค์อย่าทรงพิโรธต่อพระนางสุชาดานั้นเลยสุชาตาชาดกที่หจบ 7. ป็าลาสาชาดก ว่าด้วยพราหม์ขยันกวาดใบไม้รุกเทวดาโพธิสัตว์ถามพราหม์ผู้มากวาดโขนต้นไม้ว่าพราหม์ท่านก็รู้อยู่ว่าใบไม้ต้นนี้ไม่มีจิตใจไม่ได้ยินเสียงและไม่มีความรู้สึกเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ลืมเพียรพยายามถามอยู่เป็นนิดถึงการนอนเป็นสุขพราหมยได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวตอบว่าต้นไม้ใหญ่ปรากฏได้ในที่ไกล ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ราบเรียบเป็นที่สถิตของเทพยดาเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงนอบน้อมใบไม้ต้นนี้และเทพยดาผู้สถิตยอยู่ในใบไม้ต้นนี้เพราะเหตุแห่งรับรูกเทวดาโพธิสัตว์เลื่อมสายต่อพราหมณ์จึงกล่าวว่าพราหมณ์ข้าพเจ้านั้นเพ่งถึงความเป็นผู้รู้อุปการคุณที่ท่านทำแล้วจากตอบแทนท่านตามอนุภาพของตน อกาที่ท่านมาในสำนักของสายปุรุรทั้งหลายแล้วทำการขนขวายจะพึงไร้ผลได้อย่างไรไม้เรียบต้นใดขึ้นอยู่เบื้องหน้าต้นมะพร้าวเขาล้อมรไไ้แล้วเป็นที่บูชากันมาก่อนเป็นต้นไม้ใหญ่ขุมทรัพย์ฝังไว้ที่โคนต้นไม้เรียบนั้นไม่มีเจ้าของมีอยู่ท่านจงไปขุดเอาขุมทรัพย์นั้นเถิดปรลาสะชาดกที่เจ็ดจบ 8. เช่าว่าสะกุณนชาดกว่าด้วยราชสีไม่รู้คุณนกหัวขวานนกหัวขวานโพธิสัตว์กล่าวกับราชสีว่าพญาเนื้อข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าได้กระทำกิจอย่างหนึ่งแก่ท่านตามกําลังที่ตนมีอยู่ข้าพเจ้าจะได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนบ้างราชสีกล่าวว่าเจ้าอยู่ในระหว่างฟันของเราผู้มีเลือดเป็นอาหาร ผู้กระทำกรรมโหดร้ายอยู่เป็นนิดการรอดชีวิตไปได้ก็นับว่าเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงโนกหัวขวานโพธิสัตว์กล่าวว่าผู้ที่มีรู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นทำแล้วผู้ที่ไม่เคยทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ใครผู้ที่ไม่ตอบแทนอุปการะคุณที่ผู้อื่นทำให้แล้วน่าตำหนิความกระตันอยู่ไม่มีในผู้ใดการครบหาผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์ แม้ด้วยอุปการะคุณที่กระทำต่อหน้ามิตรธรรมยังหาไม่ได้ในบุคคลใดบัณฑิตไม่ริษยาไม่ด่าว่าบุคคลนั้นพึงค่อยๆหลี่างจากเขาไปเสียเชะวะสกุลนชาดกที่8จบ 9. เชะวะชาดกว่าด้วยการนั่งเรียนมนไม่เหมาะสมเหมือนเรียนกับศพคนจันทานโพธิสัตว์ ไปลักมะม่วงในพระราชอุทยานเห็นพระราชานั่งในที่สูงเรียนมนต์ปุโรหิตนั่งในที่ต่ำสอนมนต์จึงลงจากต้นมะม่วงมาตำหนิถูกพระราชาตรัสถามแล้วจึงกราบทูลว่ากิจที่เราทั้งสามกระทาขึ้นนี้ทั้งหมดไม่ชอบทำเพราะคนทั้งสองไม่เห็นธรรมเนียมจึงเคลื่อนคลาดจากธรรมเนียมเดิมอาจารย์ผู้สอนมนต์นั่งต่ำและศิษย์ผู้เรียนมนต์นั่งสูง โปรโรหิกล่าวว่าเราบริโภคข้าวสาลีสุขสะอาดปรุงด้วยเนื้อเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ประพฤติธธ ร, รมที่ฤาษีทั้งหลายประพฤติกันพระโพธิสัตว์กล่าวว่าท่านจงหลีกไปโลกนี้ยังกว้างใหญ่แม้คนอื่นในชมพูทวี ก, ก็ยังหุงข้าวกินกันอยู่เพราะเหตุนั้นขออาธรรมที่ท่านได้ประพฤติมาแล้วอย่าได้ทาลายท่านเหมือนหินทาลายหม้อเลยพราม น่าติเตียนการได้ยศและการได้ทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้ประสบความพินาศและประพฤติผิด ธ, ธรรมชะวะชาดกที่9จบ 10. บไซหาชาดกว่าด้วยไซหาอมมาดโรยศีโพธิสัตว์ได้กล่าวกับไซหาอมมาตว่าเราไม่ปรารถนาแผ่นดินอันมีสมุดเป็นขอบเขตมีสาคร ล, ล้อมรอบประดุดต่างหู พร้อมกับคำนินทาท่านจุงทราบอย่างนี้เถิดไซฮอมมาตพราหม์หน้าติเตียนการได้ยศและการได้ทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้ประสบความพินาศหรือประพฤติไม่เป็นธรรมถึงแม้เราจะเป็นนักบวชถือบาตรเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพเช่นนั้นแหละยังดีกว่าการสแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมถึงแม้เราจะเป็นนักบวชถือบาตรเลี้ยงชีพไม่เบียดเบียนผู้อื่นในโลก การเลี้ยงชีพเช่นนั้นแหละยังดีกว่าการครองราชสมบัติสาหชาดกที่10จบการลิงควักที่1่จบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. จุลกาลิงคาชาดก 2. มหาอาสาโรหาชาดก 3. เอกราชาชาดก 4. ทัธราชาดก 5. ศีลวีมังสาชาดก 6. สุชาตาชาดก 7. บราลาศชาดก 8. ชวะสะกุณชาดก 9. ชวะชาดก 10. ไสหะชาดก 2. ปุจิมันทวัก หมวดว่าด้วยไม้สเสดาหนึ่งปุจิมรนทชาดกว่าด้วยเทวดาประจําต้นสเสดาลูกเทวดาโพธิสัตว์กล่าวกับโจรว่าจงลุกขึ้นเจ้าโจรมัวนอนอยู่ทําไมการนอนของเจ้ามีประโยชน์อะไรพระราชาทั้งหลายอย่าได้จับเจ้าผู้กระทําผิดอย่างร้ายแรงในหมู่บ้านเลยเทวดาประจําต้นโพกล่าวว่า จ้าหนาที่บ้านเมืองจกจับโจรผู้กระทําความผิดอย่างร้ายแรงในหมู่บ้านไม่ใช่หรือทุระอะไรของปุจิมันทเทวดาในเรื่องนั้นเล่าเทวดาประจําต้นเสดาตอบว่าอาสัต t เ ท, ทวดาท่านไม่ทราบเรื่องระหว่างข้าพเจ้ากับโจรพระราชาทั้งหลายจับโจรผู้กระทําผิดอย่างร้ายแรงในบ้านได้แล้วเสียบที่เหลาไม้เสดาวข้าพเจ้ามีใจระแวงในเรื่องนั้น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 ท่านพ่อกัสปะแม้เด็กหนุ่มจะด่าว่าบ้างทุบตีบ้างเพราะยังเป็นวัยรุ่นบัณฑิตผู้ฉลาดย่อมอดทนอดกลั้นความผิดทั้งหมดนั้นที่เด็กวัยรุ่นทำแม้ถ้าบัณฑิตทั้งหลายวิวาทกันก็ประสานกันได้โดยเร็วส่วนคนพาลแตกกันเหมือนภาชนะดินพวกเขาระงับเวียนกันไม่ได้เลยคนที่รู้โทษที่ตนล่วงเกินแล้วและคนที่รู้จักการให้อภัย ทั้งสองคนนั้นจะสมัรสมานกันยิ่งขึ้นความสนิทสนมของพวกเขาย่อมไม่เสื่อมคลายผู้ใดเมื่อชนเหล่าอื่นล่วงเกินกันเขาสา ม, มารถประสานชนเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองผู้นั้นแหละเป็นผู้ยอดเยี่ยมเป็นผู้นำภาระไปเป็นผู้ทรงธุระไว้ได้กสปะมัทยาชาดกที่สองจบ3คันติวาทิชาดก ว่าด้วยคันติวาทีดาบทเซนาบดีขอร้องดาบทโพธิสัตว์ไม่ให้โกรธว่าท่านมหาวีระผู้ใดสั่งให้ตัดมือเท้าใบหูและจมูกของท่านท่านจงโกรธผู้นั้นเถิดอย่าให้เว่นแคว้นนี้พินาศเลยดาบทโพธิสัตว์กล่าวว่าพระราชาพระองค์ใดรับสั่งให้ตัดมือเท้าใบหูและจมูกของข้าพเจ้าขอให้พระราชาพระองค์นั้น จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานบัณฑิตทั้งหลายเช่นอาตมาไม่โกรดเคืองเลยพระศาสดาได้ตรัสสองพระคาถานี้ว่าสมณะพูดถึงสรรเสริญคันติมีในอดีตการนานมาแล้วพระเจ้ากาสีได้รับสั่งให้ประหารดาบทผู้ดำรงมั่นในคันติธรรมองค์นั้นพระเจ้ากาสีเบียเสียดอยู่ในนรกสวยวิบากอันเผ็ด ร, ร้อนแห่งกรรมอันหยาบช้านั้น คันติวาทิชาดกที่สามจบ 4. โลหะคุมพิชาดกว่าด้วยสัตว์ในโลหะคุมพีนรกสัตว์นรกที่กล่าวว่าทุกแล้วจมลงประสงค์จะกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราเมื่อโภคาทั้งหลายมีอยู่ไม่ได้ให้ทานไม่ได้กระทำที่พึงให้แก่ตนจึงชื่อว่ามีชีวิตอยู่อย่างชั่วช้าสัตว์นรกที่กล่าวว่าสั ประสงค์จะกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่อยู่ในนรกทั้งหมดหกหมื่นปีบริบูรณ์เมื่อไรนอที่สุดจะปรากฏสัตว์นรกที่กล่าวว่านะประสงค์จะกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนยาที่สุดไม่มีที่สุดจะมีแต่ที่ไหนที่สุดจกไม่ปรากฏเพราะว่าในการนั้นเราและท่านได้ทำกรรมชั่วไวมากสัตว์นรกที่กล่าวว่าโส ประสงค์จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราไปจากที่นี่แล้วได้เกิดเป็นมนุษย์จะรู้ถ้อยคำของผู้ขอถึงพร้อมด้วยศีลกระทํากุศลให้มากโลหกุมพิชาดกที่สี่จบหมังสาชาดกว่าด้วยบุตรเศรษฐีขอเนื้อในพรานนายพรานกล่าวกับบุตรเศรษฐีคนที่หนึ่งว่าท่านเป็นผู้ขอเนื้อคาพูดของท่านหยาบจริง เช่นกับเนื to to ้อพังผืดน claro. ี่เพื่อนเขาปรจ้าให้เนื้อพังผืดแก่ท่านนายพรานกล่าวกับบุตรเศรษฐีคนที่สองว่าคําว่าพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวเป็นเช่นกับอวัยวะของมนุษย์ที่เขาพูดกันอยู่ในโลกคําพูดของท่านเช่นกับอวัยวะนี่เพื่อนเขาปรจ้าให้เนื้อล้วนๆแก่ท่านนายพรานกล่าวกับบุตรเศรษฐีคนที่สามว่า เมื่อลูกเรียกว่าพ่อใจพ่อก็หวั่นไหวความพูดของท่านเช่นกับเนื้อหัวใจนี่เพื่อนข้าพเจ้าให้เนื้อหัวใจแก่ท่านในพรานกล่าวกับบุตรเศรษฐีคนที่สีว่าในบ้านของผู้ใดไม่มีเพื่อนบ้านนั้นเป็นเช่นกับป่าความพูดของท่านเช่นกับสมบัติทั้งหมดนี่เพื่อนข้าพเจ้าให้เนื้อทั้งหมดแก่ท่านมังสาชาดที่สี่จบ 5. สะสะปันทิตชาดกว่าด้วยกระต่ายบัณฑิตโพธิสัตว์นาคกล่าวกับเท้าสักกะผู้แปลงกายเป็นพรามมาขออาหารว่าข้าพเจ้ามีปลาตะเพียนแดงอยู่เจ็ตัวซึ่งพรานเบ็ดตกขึ้นมาได้จากน้ำวางไว้บนบกพรามขอท่านจงบริโภคอาหารที่ข้าพเจ้ามีอยู่อย่างนี้แล้วบำเพ็ญสมณะธรรมอยู่ในป่าเถิดสุนักจิงจอกล่าวว่า ในเวลากลางคืนข้าพเจ้าได้นําอาหารของคนเฝ้านาคนโน้นมาคือเนื้อย่างสองไม้เฮี้ยสองตัวนมส้มหนึ่งหม้อท่านพราหมณ์ขอท่านจุมบริโภคอาหารที่ข้าพเจ้ามีอยู่นี้แล้วบําเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิดลิงกล่าวว่ามะม่วงสุกน้ําเย็นร่มเงาที่เย็นน่ารื่นรมท่านพราหมณ์ขอท่านจุมบริโภคอาหารที่ข้าพเจ้ามีอยู่นี้ แล้วบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิดกระต่ายโพธิสัตว์ไม่มีอาหารเมื่อจะสละชีวิตของตนจึงกล่าวว่างาถั่วและข้าวสารของกระต่ายไม่มีขอท่านจงบริโภคข้าพเจ้าที่สุขด้วยไฟนี้แล้วบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิดสะสะปันทิตชาดกที่หจบ 7. มาตะโรโธนะชาดก ว่าด้วยการร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วเสถีโพธิสัตว์กล่าวกับพวกลิงว่าพวกท่านร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นแต่หาได้ร้องไห้ถึงคนที่จักตายไม่สัตว์ทั้งหลายที่ยังมีร่างกายอยู่ย่อมละชีวิตไปโดยลําดับเทวดามนุษย์สัตว์สีเท้าหมูปักษีสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่ไม่เป็นใหญ่ในร่างกายของตน ถึงจะรื่นรมอยู่ในร่างกายนั้นก็ย่อมละชีวิตของตนไปสุขและทุกข์ที่เพ่งเลงกันอยู่ในหมู่มนุษย์มีความแปรผันไม่ยั่งยือนอย่างนี้ความร่ำไห้คร่ำครวญเป็นสิ่งร้ายประโยชน์ทำไมแท่นจึงยังเศร้าโศกอยู่เล่านักเลงก็ดีนักดื่มก็ดีคนไม่ได้รับการศึกษาก็ดีคนโง่ก็ดีคนมุทะลุก็ดีคนไม่มีความเพียรก็ดี คนไม่ฉลาดในธรรมก็ดีย่อมเข้าใจนักปราดว่าเป็นคนโง่มัตะโรธนะชาดกที่เจ็จบ 8. กะนัเวราชาดกว่าด้วยหญิงหลายใจระลึกถึงความหลังใต้ต้นยี่โถแดงพวกนักฟ้อนได้ฟ้อนรำได้ขับเพลงขับนี้ว่านางสามาที่ท่านสวมกอดในเวลาที่อยู่ใต้กอต้นยี่โถแดง ฝากข่าวมาบอกท่านถึงความที่ตนสบายดีโจโรโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวกับนักฟ้อนว่าผู้เจริญข่าวที่ว่าลมพัดพาภูเขาไปได้ข่าวนี้ไม่น่าเชื่อถือถ้าลมจะพัดพาภูเขาไปได้ก็พึงพัดพาแผ่นดินแม้ทั้งหมดไปได้ก็นางสามาตายแล้วจะฝากข่าวมาบอกพวกเราถึงความที่ตนสบายดีได้อย่างไรนักฟ้อนกล่าวว่า นางสามายังไม่ตายเลยและไม่ต้องการชายอื่นได้ข่าวว่านางสามากินอาหารมือเดียวยังต้องการแต่ท่านเท่านั้นโจรโพธิสัตว์กล่าวว่านางสามาได้เปลี่ยนเอาเราผู้ไม่เคยเฉยชิดกับชายผู้เคยเฉยชิดกันมานานนางสามาคงจะเปลี่ยนเอาชายอื่นผู้ไม่ใช่ขาประจำกับเราผู้เป็นขาประจำแน่นอนเราจะไปจากที่นี้ให้ไกลแสนไกล คณะเวราชาดกที่8ดจบ 9. ติติระชาดกว่าด้วยนกรนกระทานกกระทาถามดาบทโพทธิสัตว์ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าอยู่สบายดีและได้บริโภคอาหารตามชอบใจข้าพเจ้ากําลังอยู่ในอันตรายคติของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรเนาะดาวบ ท, ทธิสัตว์ต่อปัญหาของนกกระทาว่าปากสี ถ้าใจของเธอไม่น้อมไปเพื่อกรรมชั่วบาปก็ไม่แปดเปื้อนเธอผู้เป็นคนดีไม่ขนขวายในการกระทำกำรรชั่วนกกระทาได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่านกกระทาจำนวนมากมาด้วยเข้าใจว่าญาติของพวกเราจับอยู่ที่นี้ย่อมประสบเคราะห์กรรมเพราะอาศัยเข้าพระเจ้าใจเข้าพระเจารังเกียรในกำรรชั่วนั้นดาบทโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า ถ้าใจของเธอไม่ถูกกรรมชั่วประทุษร้ายกรรมชั่วที่นายพรานทมเพราะอาศัยเธอก็ไม่ถูกต้องเธอบาปก็ไม่แปดเปื้อนเธอผู้เป็นคนดีผู้คุนขวายน้อยติติระชาดกที่เกจบ 10. สุจชะ ช, ะชาดกว่าด้วยพระราชาไม่ทรงสละสิ่งที่สละได้ง่ายพระราชเทวีตรัสกับอมารว่า พระราชาเมื่อไม่พระราชทานภูเขาด้วยเพียงพระวาจาชื่อว่าไม่ทรงสละสิ่งที่ควรสละได้ง่ายหนอก็เมื่อพระองค์ไม่ทรงสละสิ่งนั้นฉันจะเพื่อให้อะไรพระราชาไม่พระราชทานภูเขาด้วยพระวาจาพระราชาตรัสว่างานใดควรทำเพื่อพูดถึงแต่งานนั้นเถิดงานใดไม่ควรทำก็อย่าพูดถึงงานนั้นเลยคนไม่ทาเอาแต่พูด บัณฑิตย่อมรู้ทันพระราชเทวีกราบทูลว่าข้าแต่ราชบุตรขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์พระองค์ดำรงอยู่ในสัจธรรมถึงแม้จะถูกเนรเทศก็ยังมีพระหฤทัยยินดีในสัจธรรมอมาตย์โพธิสัตว์ได้ฟังพระสวนีของพระเทวีผู้ตรัสคุณความดีของพระราชาอยู่อย่างนั้นจึงประกาศคุณความดีของพระราชเทวีว่า หญิงใดเป็นพัญญาของสามีที่ยากจนก็พลอยยากจนด้วยเมื่อสามีร่ำรวยก็พลอยร่ำรวยมีชื่อเสียงด้วยหญิงนั้นนับว่าเป็นพัญญาสุดประเสริฐของเขาส่วนหญิงที่เป็นพัญญาของชายผู้ที่มีเงินทองอยู่แล้วไม่น่าอัศจรรย์เลยสุจชาชาดกที่สิบจ บ, จบปูจิมันทวัคที่สองจบรวมชาดกที่มีในวร์ดนี้คือ 1. ปูจิมันทชาดก 2. กสปะมันทิยชาดก 3. คันติวาธิชาดก 4. โลหกุลพิชาดก 5. มังสะชาดก 6. กสสะปันทิตาชาดก 7. มตโรธนะชาดก 8. กณะนเวรชาดก 9. ติติระชาดก 10. สุจชาชาดก